เคยมีคนหนึ่งเขาถามหรือตั้งข้อสังเกตว่าพุทธศาสนานี่มองอะไรในแง่ร้ายนะล้วนะพูดแต่เรื่องทุกข์เรื่องความแก่ความเจ็บความป่วยความตายก็ย้ำเขาไปว่าจริงๆแล้ว เป็นการพูดในแง่ลบมากกว่าไม่ใช่แง่ร้ายเนื่ว่าพู้ศาสนามองมองแง่ลบมันก็คงไม่ถูกแต่เป็นการถ้าให้ถูกคือเป็นการเชื่อเห็นความจริงด้านลบมากกว่าหมายความว่าพู้ศาสนาก็มองแง่บวกด้วยแต่ว่า ไอ้เรื่องแง่บวกหรือด้านดีของสิ่งต่างๆอันนี้คนมองเยอะแล้วพรงก็เลยเชเห็นความจริงด้านลบความจริงด้านลบของอะไรของสิ่งต่างๆที่ผู้คนถือว่าเป็นความสุขหรือว่าให้ความสุข เช่นร่างกายหรือสังขารลาบยศนะสุขสรรเสริญที่เรียกว่าโลกธรรมพวกนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองเห็นแต่ด้านบวกคือด้านที่ให้ความสุขหรือว่าให้ความพอใจให้ความสบายแต่ว่า เป็นเพราะคนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้านลบนะของสิ่งเหล่านี้ก็เลยไปหลงเพลินแล้วติดนะยึดติดถือมัน่นสิ่งที่พระองค์ทำก็คือพยายามทำให้คนเนี่ยคลายความยึดติดถือมัน่นหรือว่าไม่หลงเพลินในสิ่งเหล่านี้พอเพลินแล้วมก็กลายเป็นประมาทไปซึ่งในสุดก็จะนำไปสู่ความทุก เทวดาเคยกล่าวพุทธเจ้าเนี่ยมีมีลูกก็สุขเพราะลูกมีโคก็สุขเพราะโคพุทธเจ้าก็พูดแยง้งหรือพูดชี่เห็นอีกด้านหนึ่งว่ามีลูกก็ทุกข์เพราะลูกนะมีโคก็ทุกข์เพราะโคไอ้สุขเพราะลูกสุขเพราะโคนี่ใครๆก็เห็นแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นว่า ลูกหรือโคมก็นำความทุกข์มาให้ด้วยหรือว่าทำให้เป็นทุกข์พอไม่เห็นนี่แหละก็เลยหลงยึดติดถือมั่นและพอมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดแล้วก็เสียอกเสียใจวัวมันป่วยอันนี้ก็ เจ้าของก็ทุบลูกไม่สบายหรือลูกไม่เป็นดั่งใจนะพ่อแม่ก็กลุ่ม อ, อกกุ้มใจอันนี้เพราะว่าไม่เห็นความจริงด้านลบนะตั้งแต่ตั้งแต่แรกของสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเห็นตั้งแต่แรกมันก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจมากก็ ทำใจไว้แล้วนะร่างกายนี่ก็เหมือนกันนะมันก็คนก็มองเห็นแต่ว่าด้านดีด้านที่สวยงามหรือว่าด้านที่ให้ความสุขนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นด้านที่มันเป็นโทษทั้งในความหมายที่มันเป็นภาระที่ต้องดูแลทั้งในความหมายที่มันไม่เที่ยง แล้วก็มันก็เป็นทุกข์ด้วยน ะ, ะนั่นเข้าใจาเจตนาวุฒิเจ้าเนีที่ชี้เห็นความจริงด้านลบเนี่ยเพื่อให้คนนี้ได้เห็นความจริงรอบด้านแล้วก็จะได้ไม่ไปไม่ไปไปยึดติดพราะเห็นแต่ด้านบวกนแต่ในเวลาที่คนเนี่ยมีความทุกข์นะพูะเจ้าก็จะชี้เห็นด้านด้านบวก ในเวลาคนที่มีความเพลินมีความสุขสบายในลาบยศสุขสารเสริญในอายุวันนาสุขขัพละเงี้ยผู้เจ้าก็ชี้เห็นด้านลบแต่เวลาคนมีความทุกข์เพราะสูญเสียนะหรือเสื่อมลาบสื่อมยศนะสุสเจอทุกเจอคำนินทาพระองค์ก็จะชี้เห็นด้านบวก ของสิ่งเหล่านี้เช่นพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบแล้วคนเวลาเจอทุกข์นี่ก็จะข้ามครวนตีโพยตีพายกุ้มหัวกุ้มใจบนกลดาสารพัดนะแต่ผู้เจ้าก็ชีว่าเนี่ยมันมีสุขให้ ให้เข้าถึงได้นะพวเราคนที่มีความทุกข์ูเจ้าก็พูดอยู่ให้ความหวังหรือทำให้มองเห็นด้านบวกของสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาไปบินทบาตนะไม่ได้อาหารมาท่านก็ให้มองว่าเออดีนะร่างกายก็จะได้เบาสบายเหมาะกับการปฏิบททัติธรรม คือถ้าเราดูคำสอนวิจารณ์นี้คืเห็นว่าท่านพยายามท่านพยายามทวงพยายามเตือนให้คนไม่สวิงไปด้านใดด้านหนึ่งในยามที่คนมีความสุขพระอายุวันณนะสุขขาพภะละนะลาบยศสุขสารเสริญพรกก็ชี้เตือนให้เห็นอีกด้านหนึ่งจะได้ไม่เพลินในความสุข แต่เวลามีความทุกข์นะก็ใครที่คนจมอยู่ในความทุกข์พวกก็เชื่อเห็นอีกด้านหนึ่งว่ามันไม่ใช่เลวร้ายไปหมดนะในทุกข์ก็มีสุขในความไม่งามก็มีความงามพระปุณนะเนี่ยจะเสด็จอาจากลับไปเมืองสุนาปันตะ พุทธาก็ทักท้วงว่าคนเมืองนี้เนี่ยดุร้ายนี่ถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรบุญนาก็บอกเขาด่าว่าก็ดีที่เขาไม่ทุกตีถ้าเขาทุกตีท่านจะคิดอย่างไรเขาทุกตีก็ดีที่เขาไม่เอาก้อเห็นมาคว้างแล้วถ้าเขาเาข้อเห็นมคว้างท่านจะคิดอย่างไรเขาเอาก้อเห็นมาคว้างก็ดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟาด แล้วถ้าเข้ามาฟาสัจะคิดอย่างไรก็มาฟาก็ดีที่เขาไม่เอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าของแหลมมาแทงจะคิดอย่างไรเพราะนั้นก็ต่อเข้าของแหลมมาแทงก็ดีที่เขาไม่คายตายทีนี้พระเจ้าก็เลยถามมาถามสุท้าว่าถ้าเขาฆ่าท่านให้ตาย่าจะคิดอย่างไรเพราะนักต่อคนมงคนอยากจะตายก็ต้องไปหามีดต้องไปจ้างคนมาฆ่าถ้าเป็นอย่างที่พระเจ้าตัดก็ดีเหมือนกัน คือไม่เหนื่อยไม่ต้องนขนไควยพระเจ้าก็เลยอนุโมทนาแล้วก็อนุ ญ, ญาต ใ, ให้พระปุณณนะไปเมืองสุณาปันตะนะพระสุณปันตานี่พระปุณณะนี่มองอะไรในแง่บวกนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเห็นด้วยนะอันนี้เรียกพูดในสิ่งที่พระองค์ก็เห็นดีเห็นงามอยู่แล้ว คือว่าเวลามีทุกข์ก็ให้มันให้รู้จักมองบวกบ้างนี่ถึงบอกว่าเนี่ยผู้ศาสารไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มองโลกในแง่ล้ายนะแล้วก็ไม่ได้มองโลกในแง่ลบอย่างเดียวด้วยเพียงแต่พระองค์มันจะชี้ให้คนเห็นความจริงด้านลบนะของสิ่งที่คนเห็นว่าเป็นความสุขแล้วก็ชี้ด้านบวกของสิ่งที่คนเห็นว่าเป็นทุกข์ เป็นการเตือนสติผู้คนทั้งในยามสุขใะยามทุกข์แล้วแม้แต่ใ น, า ย, านยามปกตินะในยามปกติก็ถือเป็นความสุขแบบหนึ่งนะก็คือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่สูญเสียพัดพราดนี่ก็ก็ถือว่าเป็นสุขได้เราถึงเรียกว่าเรียกว่าปกติสุขนะพยายามมองโลกแบบนี้บ้างนะก็คือว่า เวลาเวลาเราเพลินกับอะไรสักอย่าง <c oughs> ก็เตือนตัวให้เห็นด้านลบของสิ่งที่เรากำลังเพลิดเพลินอยูนะ่ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามไม่เป็นตำบัตสิ่งที่เป็นรูปธรรมผู้คน หรือว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความสุขความสบายความรู้สึกยินดีดีใจไอ้พวกนี้นี่ก็มองเห็นด้านลบของมันบ้างว่ามันไม่เที่ยงมันมันต้องเสื่อมต้องดับไปนี่เราเป็นทุกข์ถ้าเรามองแบบนี้ได้เนี่ยต่อไปเวลาเวลาเจอทุกข์ เราก็เห็นด้านดีของมันนะเช่นทุกนี่มันทำให้ผู้คนดิ้นรนแสวงหาความสุขหรือว่าผลักให้ผู้คนที่เข้าหาธรรมถ้าไม่ทุกนี่กไ็ไม่สนใจนะเรื่องธรรมะไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือถ้าไม่กลัวทุ ก, ก็ไม่สนใจนะเรื่องการมีศรรมีล การทำบุญทำกุศลหลายคนก็พยายามรักษาศีลดีเพราะกลัวทุกข์นะกลัวจเจอความยากลําลบากกลัวโทษของบาป ก, กรรมหรือว่ากลัวตกนรกนะตั้งนางตาทําบุญสร้างกุศลนะเพราะกลัวกลัวจะเจอทุกข์อันนี้ก็ถือเป็นความเป็นข้อดีของทุกข์นะ บางคนก็รู้ว่าการรักษาศีลทำบุญทกุศลไม่พอนะที่จะทำให้กลายจากทุกข์ได้ก็มาฝึกจิตมาปฏิบัติธรรมยอมยอมสละความสุขสบายหรือความสะดวกสบายมาเจอความยากลำบาก แต่อยู่ไปอยู่ไปความยากลำบากกลายเป็นความสบายแต่ก่อนนอนเตียงมีฟูกหนาต้องมานอนพื้นโอ้ไม่ชอบแต่พอมานอนพื้นนอนไปนอนไปเออสบายสบายกว่า น, นอนฟูกสบายกว่า น, นอนที่ที่นอนอัสูงใหญ่ ล, ลองลองพิจารณาดู อย่างท่านพอ่อฤาีท่านพูดเนี่ยอวิชาก็มีข้อดีนะอวิชามันทําให้เราเนี่ยขวนขวาย ห, หาความรู้เพราะคนที่มีความรู้อยู่แล้วนี่เขาก็ไม่จําเป็นต้องไปไป ห, หาความรู้อีกเพราะมันมีอยู่แล้วนะให้คนที่ไม่มีความรู้คนที่โง่นั่นแหละนะที่ถึงต้องดิ้นรนนะที่จะหาความรู้นะ หาวิชามาใส่ตัวท่านก็บอกเนี่ยไอ้มารเนี่ยมารเนี่ยถึงแม้มันเป็นอุปสรรคขัดขวางนะการทำความดีของคนเรานะแต่ถ้าอยู่ไปอยู่ไปมันก็เป็นเพื่อนได้มานี่ก็เป็นเพื่อนมั้นก็คอยมากระซิบคอยมาเตือนนะว่า ในเราก็จะอยู่ได้ไม่นานบางทีก็คอยมาท้าทายเวลามาเตือนให้ว่าอยู่ได้ไม่นานเราก็จะได้เกิดความไม่ประมาทเวลามาท้าทายก็ทำให้เกิดความระมัดระวังเกิดความ เ, าเกิดกำลังใจนะเพราะว่าถ้าถูกท้าทายนี่มันก็ ทำให้เกิดความพฤดสู้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะเป็นเรื่องของมุมมองที่จริงๆแล้วเนี่ยคนไม่ค่อยไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยเข้าใจพุทธศาสนาหรือคำสอนในแง่นี้มากกว่าก็จะมองเห็นแต่ด้านที่สอนให้เห็นถึงทุกข์เห็นถึงแง่ น, นี้ไม่ดีไม่งาม ของอสิ่งที่เรามีอันนั้นก็เป็นไปเพื่อเตือนนะไม่ให้เราหลงเพลินนะเพลินในสุขก็มันก็เป็นโทษ น, นะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรายึดถือเป็นความสุขนี่อย่างแรกคือมันมันไม่เที่ยงมันไม่จีรังยั่งยืน พอมันแปลเปลี่ยนแปลก็ทุกแล้วแต่ไม่ต้องร้อยให้มันแปลเปลี่ยนไปนะเพราะว่าในตัวมันเองก็เป็นทุกอยู่แล้วนะไอ้ความไม่จีรังยั่งยืนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าที่จริไมันเกิดขึ้นตลอเวลาแต่มันจะเห็นชัดก็ในวันหน้าหรือในอนาคตเช่นร่างกายเนี่ย ก, กว่ามันจะแก่นี่ก็ใช้เวลาใช้ใช้เวลานานหลายปีก็จะเห็นชัด แต่ในเวลาเดียวกันมันเป็นทุกข์อยู่แล้วนะคือมันต้องมันเป็นภาระในการดูแลแล้วก็มันสามารถทำให้เกิดทุกขเวทนาได้นั่งอยู่นั่งไม่นานนี่ก็เมื่อยแล้วนะถ้าไม่ยขยับ ก, ก็ปวดนะเรา หายใจหายใจเข้าเราพอไม่หายใจออกอมันก็อึดอัดขึ้นมาหายใจออกไม่หายใจเข้าก็อึดอัดเราลืมตาทัากพักมันก็ต้องกระพริบตาแต่สมมติเราไม่อยากจะให้มันกระพริบตาเราก็เปิดลืมตาไว้อย่างนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะก็จะเมื่อยแล้วก็จะปวด ลืมตาสักห้านาทีมันก็จะอาจจะมีน้ำน้ำตาไหลหรือว่าปวดตานะเราก็จําเป็นต้องกระพริบตานะเราก็พริบตาเพราะมันเกิดก็เพื่อคลายทุกนะทุกที่เกิดจากการลืมตานี่ยนะมันมีอยู่ตลอดเวลานะทุกที่เกิดเพราะการลืมตาเนี่ย มันเป็นเหตุให้เราต้องกระพริบตาผู้ย่านก็คือเรากระพริบตาเพื่อคลายทุกข์นะถ้าเราไม่กระพริบตามก็จะทุกข์มากขึ้นนั่งอยู่เฉยๆนี่ก็ปวดเมื่อยเรายังต้องขยับอันนี้เรียกว่าทุกข์เนี่ยทาไม่เกิดนําไปสู่อนิจจาทุกข์ขังนาไปสู่อนิจจัง ความปวดเมื่อยทำให้เราต้องขยับเปลี่ยนท่านะความความแปลงนิจจังก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากทุกข์แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนท่ามันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นและเมื่เราเปลี่ยนท่าไปแล้วไม่ว่าอยู่ท่าใดก็ตามสักพักมันก็ทุกข์อีก มันก็สับกับไปสับกันมาอย่างนี้แหละทุกทำให้เกิดอ น, นิจจังและพอเรายอมแปลเปลี่ยนมันก็ทุกข์ใหม่แต่ถ้าเราไม่ยอมแปลเปลี่ยนมันก็ทุกข์หนักขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมดาที่คนมันก็ไม่ค่อยสังเกตนะว่าไอ้ร่างกายเนี่ยนะมันก็เต็มไปด้วยทุกข์ เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วแต่ว่าในด้านหนึ่งก็คือเมื่อร่างกายเราทุกข์ไม่ว่าปวดเมื่อยหรือว่าไม่สบายก็ตามใจไม่ทุกข์ก็ได้อันนี้ก็เป็นคำสอนด้านของพุทธ ศ, ศาสนานะที่มอยเห็นด้านบวก กายทุกแต่ใจไม่ทุกก็ไดนะ้แก่เจ็บหรือตายนะแต่ว่าใจไม่ทุกก็ไดนะ้ตรงนี้ทุกคนไม่เคยเห็นมันเห็นแต่ลบนะเห็นแต่ลบแต่ไม่เห็นไม่เห็นว่ามันมีโอกาสนะมันมีช่องทางที่ใจจะเป็นสุขได้หรือว่าใจจะไม่ทุกได้ อันนี้ก็เลยเป็นการมองบวกเหมือนกันนะทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์หรือแม้กระทั่งว่าคนเรานี่ก็สามารถจะพ้นทุกข์ได้อุเจ้าไม่สอนแต่เพียงว่าร่างกายหรือสังขารเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์ถ้าผููแค่นั้นก็เป็นการมองแต่แง่ายลบนะแต่จริงแล้วแง่บวกก็มีก็คือคนเราพ้นทุกข์ได้ ความสามารถในการพ้นทุ่มก็มีอยู่ในใจเรานี่แหละไม่ได้อยู่นอกนอกใจไม่ได้อยู่นอกตัวเราเลยจริงจริงแล้วนี่เราเข้าใจพุทธศาสนานี่อยอย่างรอบด้านนี่เราก็จะรู้ว่าคำสองพระองค์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอียงไปด้านเดียวไม่ใช่พูดแต่เรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องทุกแต่ยงพูดเรื่อง การพ้นทุกข์หรือผู้เรื่องความสุขด้วยนะคำสอนเรื่องความสุขนั้นก็มีเยอะนะนะสุขเอื้อเนี่ความสงบไม่มีแม้ประสบทุกข์ก็ยังพบสุขได้นะือว่าบุญย่อนทําให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตแล้วนะคนเวลาจะตายนี่ก็เห็นแต่ความทุกข์นะเลยกลัวไง กลัวความตายว่าเห็นแต่ทุกข์แต่พระเจ้าบอกว่ามันสุขก็มีนะในในยามนั้นนะ่ะอันนี้พุทธภาสีอานซาเนกชีนะบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตนะกายมันจะเจ็บมันจะปวดยังไงนะแต่ว่าใจก็ยังเป็นสุขได้ อันนี้ก็เป็นคำสอนที่คนก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยสังเกตเหมือนกันมือเราสามารถที่จะเป็นรักษาใจให้เป็นสุขได้แมในยามที่กายมันกำลังแตกดับหรือว่ากำลังแปรปรวนจนแม้กระทั่งมันไม่ใช่แค่สุขเท่านั้นนะในเวลาใกล้ตายเราสามารถจะพคนทุกข์ได้ เป็นโอกาสทองนะเป็นนาทีทองนะตอนใกล้าตายเนี่ยผู้เจ้าอุบาจานทะร์ท่นะนนาท น, ท น, นก็พูดนะเป็นนาทีทองหลวงพ่อเถิดท่านก็พูดนะคนเวลาใกล้าตายเนี่ยนะมันเป็นโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ประตูสู่ความพ้นทุกข์มันเปิดแล้วาจะเปิดกว้างกว่าเดิมก็ได้ในตอนที่จะจะตายนี่แหละเพราะทุกข์นี่มันสามารถจะ สอนรรทำทําให้เราเห็นทำรรที่ช่วยพ้นทุกข์ได้หลวงพ่ออมเกลยยิงบอกเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เห็นนี่ก็ทีแรกก็เห็นด้วยสติก่อนนะเห็นทุกข์เห็นว่ากําลังโกรธรว่ากําลังโกรธรว่ากําลังเศร้าเนี่ยพอรู่นี่มันหลุดเลยนะไอ้ความเศร้าความโกรธเนี่ยรั่กวกํากลัง กำลังหมกมุ่นคคิดอยู่กับบางเรื่องที่ทําให้เครียดทําให้กลุ้มอกุ้มใจพอรู้นะพอเห็นความคิดนี้มันหลุดเลยมันก็สบายอันนี้เราพ้นทุกแต่พ้นทุกชั่วคราวเดี๋ยวเพิ่มมันก็คิดใหม่หรือกลุ้มใหม่เครียดใหม่โกรธใหม่ะพอมีสติเห็นอ้าวหลุดก็พน้นนะพ้นทุกแต่พ้นทุกชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่า เห็นด้วยปัญญานี่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์นะใจมันก็ไม่รู้ไม่อยากจะยึดมั่นถือมั่นกอะไรละเกิดความเบื่อความหน่ายอย่างที่ได้พูดมาว่อวานเมื่อในบุเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตัลงนั่นแหละเป็นทางพระนิพพานนั่นเป็นธรรมนันเป็นธรรมหมดจดมันเกิดนิพิทาขึ้นมาพอเห็น เห็นด้วยปัญญานี่มันเกิดในปิตาเกิดความเบื่อหน่ายเกิดวิราคะความจางคลายคือการปล่อยวิมุติเนี่ยอิสระก็ตามมาอิสระนี่มันไม่ใช่เพราะมีอะไรมาขังมาล่ามเรานะในทางโลกเนี่ยคนเราไม่มีอิสระเพราะมันถูกขังถูกล่า ม, มีใครบางคนมาขังมาล่ามเราไว้เราเป็นผู้ถูกล่าม อิสระในทางจิตใจนี่มันเกิดจากการที่เราปล่อยนะมันไม่มีอะไรมาล่ามจิตเราอยู่แล้วแต่เป็นพ่อจ่าเร า, าไปไปยึดเองนะมันต่า ง, งตรงนี้นะอิสระทางโลกนี่เกิดจาการที่ใครบางคนนะมันปล่อยเรานะหรือทําให้เราหลุดจากพันธนาการ ในความไม่อิสระเกิดจากการที่ถูกล่ามถูกยึดถูกขังแต่ความไม่อิสระนะในทางจิตใจเกิดจากการที่ใจมันไปยึดเองนะมันไม่มีอะไรมาล่ามแต่ใจมันไปยึดเองไปแบกเอาไว้เองอิสระเกิดขึ้นเมื่อปล่อยเมื่อวางไม่มีอิสระทั้งโลกอิสระเขาเกิดจากการถูกปล่อย แต่สายทางจิตใจกิจการที่ปล่อยไม่ใช่ถูกปล่อยปล่อยคือคลายความยิดมั่นถือมั่นคือวิราคาอเนี่ยพอเห็นด้วยปัญญาเนี่ยคือเห็นทุกเนี่ยเห็นทุกด้วยปัญญาเนี่ยก็พ้นทุกนั้นทุกนี่จะเห็นทุกได้ต้องเจอทุกนะถ้าไม่เจอทุกมันจะเห็นทุกได้ยังไงนะนั่นจะพ้นทุกได้ก็ต้องเจอทุกก่อนมีทุก เจอทุกข์แล้วพอเห็นมันนะเห็นด้วยปัญญา我ก็พ้นทุกข์นะผู้ยา น, นคือเราพ้นทุกข์ไหมนะถ้าเราไม่เจอทุกข์นั่ทุกข์มีประโยชน์นะอันนี้ก็คือด้านบวกนะที่พุูธเจ้าชนะี้ให้เราเห็นสาคนที่มีทุกขนะ์ท่านก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปคล่ําครวนมากนะคร่ครวญตัดีๆนะเดี๋ยวทางออกจากทุกข์มันก็จะเปิด อย่างที่หลวงพ่อคอเสิพูดในทุกมีความไม่ทุกแต่ในยามที่คนมีความสุขนะอย่างเช่นตอนนี้คนกำลังสุขนะเช่นคริสต์มาสหรือไม่นักปีใหม่สุขนี่ไม่เสียหายแล้วแต่พอมันไปเพลินไปยึดเ่านี่นะเนี่ยอันนี้ทุกเลยอาจจะยังไม่เห็นชัดแต่ว่ามันจะเห็นนะพอเพิ่นวันที่หนึ่ง รจริงพอพน้นวันที่สามสิบเอดนี่ขึ้นมาที่หนึ่งในความหลายคนก็จะสึกห่อเหี่ยวแล้วพอถึงวันที่สองวันที่สามมันก็ห่อเหี่ยวมากขึ้นเพราะว่าต้องกลับไปทำงานอันนี้เพราะเพลินในสุขนะจนไม่เห็นถึงทุกข์หรือโทษของมันว่ามันไม่เที่ยงงานเลี้ยงยังมีวันเลิกรานะ ในงานเรื่องยามีวันเลิกลาเ น, นี่ก็เป็นคาเตือนให้เรารู้ว่าอย่าไปเพลิดความสุขมากเพราะมันมีจุดจบมันมีสิ้นสุดเหมันกันถ้าคนที่เพลอในสุขพระเจ้าก็เตือนให้เห็นทุกข์หรือเห็นความไม่เที่ยงจะได้ไม่เพลินมากส่วนคนที่จมอยู่ในทุกพระพเจ้าก็เตือนให้เห็นว่าเออมันมีบวกอยู่นะมันมีโอกาสที่จะหลุดจากทุกมันมีสุขที่ รอการค้นหาค้นพบของเราเมื่อสู่แบบง่ายง่ายสู่แบบโลกี ย, ยะหรือสู่แบบโลกุตตรคือนิพพานยังต้องเห็นทั้งสองด้านนะเห็นทั้งบวกและลบเห็นความจริงทั้งบวกและลบเราก็ใช้ให้ถูกนะใชใ้ถูกกรณีอย่าจะทำอ ย, อย่างที่พูดเมื่อวานะทำผิดในสิ่งที่ถูกเนี่ยนี่แย่เลย ใช้ทำ ม, มาไม่ถูกกรณีนะมันก็เรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกเช่นสันโดษนะสันโดษจนขี้เกียจเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่นะสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายเลยขี้เกียจเอาแต่นั่งนงนอนนอนไม่ทำอะไรอย่างอื่นอันนี้เราทำผิดในสิ่งที่ถูกนะพู้เจ่าไม่ส่งเสริมความขี้เกียจนะแต่คนก็อาจจะขี้เกียจได้เพราะ ใช้สันโดษไม่ถูกต้องนะทําผิดในสิ่งที่ถูกนะสันโดษนี่มันต้องเป็นเครื่องมือนําไปสู่ความขยันมันเพียรนะเพียรในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหรือเพียรในการบําเพ็ญประโยชน์ตนในทางที่นะลึกซึ้งนะก็คือการบําเพ็ญทางจิตนะถ้าคนเราไม่สันโดษมันก็จะ เ, เสียเวลาไปกับการหาเงินหาทองหรือว่าใน หมดเวลาเรื่การเสพสุขนะไอ้การที่เข้าถึงความสุขที่ปัณณิก็เหลือน้อยลงนะแต่พอเราสันโดษแล้วก็จะมีเวลาเหลือมีกําลังวังชามากขึ้นสาหรับการเข้าถึงความสุขที่ปัณณิหรือการทําความสุขให้เกิดกับส่วนรวมไอ้การมองบวกมองลบ ก, ก็เหมือนกันนะมันมีประโยชน์ใช้ให้ถูกใชใ้เป็นให้ถูกกรณีก็จ ะ, ะทําให้เราเนาะ ไม่เพลินไม่ประมาทในสุขไม่ประมาทในเวลาที่มีสุขแล้วก็ไม่ตี อ, อกโชคขวาในเวลาที่มีทุกข์นะอะไรชาติเพื่อนท่านนี้กราบฮะ